ธรรมชาดกแผ่นที่สลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2544มีชื่อเรื่องว่ากะโลกพระอรหันต์กุญกะโลก ลองปอกๆปแปลกๆนีลรู้สึกหมูป่าก็เยอะนะเดี๋ยวนี้นะเห็นมันออกมาเพี้ยนผ่านยังอ้วนอยู่เรือร่ออาจจะมันอยู่ใกล้เราก็ไม่รู้นะที่มันอ้วนนะแต่ อ, จจอยู่ใกล้เราอาจจะผอมก็ได้ถึงยังไงก็ให้พวกคูบารทันเวดูเรื่องมันจำพลังอาหารพยายามเอามาให้มันกินนะเริ่มๆน่ะ เ, เ, เพราะเดี๋ยวนี้มันดินมันแข็งแล้วจะหมูมันดุดแท็กเตอร์มันใช้งานไม่ได้แล้ว พอดินมันแข็งต้องเลี้ยงอาหารมันช่วงนี้หน้าแรงเลยแต่มีกล้วยมีละกอบ้านไหนที่มีละกอน่าจะไปเอาอยู่ถ้าเขาไม่ได้ใช่อย่างบ้านไอ้ทางออกบ้านท่านเถืองเลยนะถ้าเขาไม่ได้ใช้น่าจะลดบรรทุกไปเอาอยู่เอามาเลี้ยงหมูเอละกอที่มันตะปูตะปัดที่มันดูดูแล้วมันนั่นน่ะเอามาเลี้ยงหมูเอามาเลี้ยงสัตว์ก็ดีเลี้ยงลิงของเรา น่าสงสารมันเนี่ยมันหิวอ่ะความหิวเราหิวก็ไม่ดีสัตว์หิวก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นตรงไหนที่พอเขาจะให้ไปเอามาก็ดีเหมือนกันนั่นแ่ะมาเลี้ยงปกสัตว์สารายสิในวัดสัตว์ของเรามันเยอะเหลือเกินดูดูแล้วก็น่าสงสารมันเพราะมันเกิดเป็นสัตว์มันก็มาอยากจะเกิดเหมือนกันน่ะอย่างเหมือนพวกเรานี่แหละท่านเลือกได้่แต่มันนั่งเกิดปุ๋ยไม่เลือกปด๋ยให้ที่ไหนมันเกิดมาแล้วเอ่า นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มันเกิดผิดท่าผิดทางเพราะกลัมของมันกลัมคือการกระทําของมันในอดีตให้มาเกิดในยุคปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านไปพูดกับใครนาะจำชื่อไม่ได้ท่านบอกว่าเนี่ยพวกนอกศาสนานีนะ่คือนอกศาสนาบางคนเขาก็มียานทัศสนะเหมือนกันนะมียานบางอันแต่ ท่นไม่ปฏิเสธวิญญาณของเขาไม่ถูกต้องไม่ได้ปฏิเสธว่าญาณทัศนะนอกพุทธศาสนาเนี่ไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธยกตัวอย่างอย่างาพระอะไรที่โคกระโหลกศีรษะนะนะพระโคกระโหลกศีรษะเอากระโหลกศีรษะมาแล้ค้อนเคาะป๊อก ป, อกปอก๊เขาจะรู้ได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไปตกนรกว่า ง, งั้นบิน ญ, ญาณไปตกนรกแล้วก็ป๊อกป๊อก นี่อ๋อนิบิ ญ, ญาณนี่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมอะไรเขาจะรู้ด่านต่นี้พราม์นั่นก็ออกหากินแล้วงั้นเถอะเอากระโหลกศีรษะมาเคาะคนนี้ทํากรร ม, มนั้นมันไปเกิดอันนั้นอันนี้ไปเรื่อยจนถึงกรุงสวัสดีกรุงสวัสดีคนก็ไปฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าพรามนี่นก็ พาบริบาลทั้งห้าร้อยคนนี้ไปเอไปก็มองเขาไปอะไรองั้นไปหาพระพุทธเจ้าอย่างั้นเออไปหาไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาหาเราเนี่ยเราบอกไม้หมดนั่นแะใครจะไปที่ไหนอย่้นเออพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกพรามเนี่ยจะไปรู้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างไงพรามก็เลยงงเลยเอย๊จากนั้นก็เลยไปฟังเทศพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าโดยที่เป็นยังไง พระพุทธเจ้าเห็นว่าหัวหน้าพรามนี่จะมาแล้วงั้นเถอะพอมาเอากระโหลกคนที่ตกนรนกคนที่ไปเป็นเปรตคนที่ไปเป็นสัตว์ที่ดิฉานคนที่ไปสวรรค์คนที่ไปพรมแล้วก็พรผลาดหกกระโหลกว่างั้น เ, อ, เอามาเอามากับพรามคเคะอะไรว่างั้นน่ะคอกระโหลกป๊อกป๊ก็อกกบอกก็จริงนะพระพุทธเจ้าท่านเออจริงพธยาติยอมรับแล้รว่างั้นแ่ะจริง ข้อกะโหลกที่สองกระโหลกที่สามกะโหลกที่สี่กระโหลกที่หกว่างั้นเถอะพอถึงกระโหลกที่หกขาะป๊อปป๊เงียบข้อกระโหลกพระรหัสนั่งงันเถอะไม่รู้จักทางไปทางมาเลยแต่เนี่ยข้อเสด็จเงียบพุทธเจ้าถามว่ารู้ไหมไม่รู้ว่างันเลยเขาก็เก่งเหมือนกันนะชายอีกวันนึงบอกว่าท่านข้อกระโหลกไหนแล้ว ไม่ติดไม่คล่องนะคงจะเก่งในะงนั้นเแต่ผู้ พ, พุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้ก่อนที่จะสอนต้องบวชซะก่อนทําบวชแล้วจะสอนให้เพราะวิชานี้เป็นวิชาที่จะสอนแบบสุมสีุ่มห้าไม่ไดนะ้ต้องบวชซะก่อนแกก็ยอมบวชพรามณ์พอยอมบวชบวชแ้วพระอง์ก็สอนกรรมาฐานให้แล้วบาทเลยพิรณาเกสาโลมาณขาทันตาให้พิจารณาล่างกายสังขารให้เป็น ของไม่เที่ยงมั่นคงเห็นุนั้นทีจารทุกขังอนัตตาให้เกิดความเบื่อหน่ายเอสอนให้เบิดความเบื่อหน่ายนายทั้งกายนายทั้งใจปราณนั้นถเถอะอสอนให้ถอนอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นโอ้ยไม่นานแล้วพอเข้ามาพวกลูกน้องก็บอกว่าอาจารย์จะไงไปศึกเรือ ย, ยังเดียเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งเดี๋ย ว, เ, ย ว, เ, ยวเรากําลังเรียนอยู่ครั้งที่สองครั้งที่สามพอหลายวันขึ้นมา พอประมาณทักอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นแหละสําเร็จพลาหารหัน่ะอาจารย์ว่าไงเอ้ยเราไม่ศึกแล้วงั้นทูตเจ้าจะไปที่ไหนก็ไปว้าวอันนั้นเป็นพิชาหลอกลวงอันนี้เราเจอของจริงเขาแล้วงั้น เ, เราไม่ศึกแล้วงั้นพวกเจ้าจะไปไหนก็ไปทําไม่ไป้าบวชก็บวชพวกนั้นก็เลยยอมบวชมั้ยยอมบวชเป็นบริวารของท่านนะ อันนี้ญ า, า, าณทัศนะนอกพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธว่าไงแต่ความรู้ความฉล า, าดความสามารถในนอกพุทธศาสนาเนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าเนี่ยบางศาสนาเนี่ยทําให้สับสนคือเวลาคนที่ทํากรรมหนักทําความชั่วมากแต่เวลาตายไปแล้วไปสู่สวรรค์บางทีคนที่ทํากรรมดีดีมากว่าไงแต่เวลาตายแล้วไปตกนรก อันนี้ญารรณทัศนะนอกพุทธศาสนานีดูไม่ตลอดว่างั้นเถอะดูไม่ยาวดูเพียงสั้นๆตัเองเอ๊ะทาไมคนที่ทําความดีไปตกนรกแต่ว่าคนที่ทําความชั่วทำไมไปเกิดสวรรค์แหมทาไมเป็นอย่างนี้อันนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่านี่แหละนอกศาสนาเนี่ยมียารรณทัศน์คล้ายๆว่าวิทยุขื่นสั้นว่างั้นเถะมันเครื่องไม่ดีรับยาวไม่ได้ ه, เครื่องตรวจมันสั้นเหมงนั้นแต่ถ้าว่าตรวจมากยาวไปกว่านั้นจะเห็นได้สมมติว่าคนทําความดีในชาตินี้ไปตกนรกท่านบอกว่าในอดีตชาติก่อนกว่านั้นไปนะเขาทําความชั่วแต่ว่ากรรมดีของเขาในะยังให้ผลอยู่เขามาเกิดชาตินี้เขาทำำํากรรมดีเขาเลยเกิดมาเขาก็ทําแต่กรรมดีแต่ว่ากรรมชั่วตอนนั้นไม่เสียหายเน้่ตัวทําที่หลังนะ่พอตายปุ๊บกรรมชั่วตัวที่ทําที่ชาติที่แล้วเนะี่ย มันวิ่งมาสวนปบเข้ามาเลยมาสวมวิญญาณนะก็พร้อมกันกันในขณะที่ตายกําลังใจจะขาดนะก็น่ ล, ลึกถึงความชั่วด้วยน่าลึกถึงกรรมบางสิ่งบางอย่างกรรมตอนนั้นก็วิ่งปดเขามาหามาก็มาล็อกเลยว่างั้นพอมาล็อกเสร็จโยนลงนรกเลยว่างั้นเถอะในชั้นที่ในชาตินี้เขาทํากรรมดีแต่ก็เถอะพอฟ้นจากนรกขึ้นมาแล้ว กรรมดีของเขาที่เขาทําไปแล้วก็พาเขาไปสู่สวรรค์ได้พาไปสู่มนุษย์มันได้เพราะว่ากรรมกรรมคือการกระทําของเขานั้นให้ผลกรรมดีของเขาให้ผลอย่างั้นเถอะแต่ว่าทํากรรมดีทั้งกรรมชั่วก็ไม่เสียหายไปไหนอ่างั้นเถอะมันจะเรียนเคียงคู่ไปอย่างนั้นทุดแท้แต่กรรมไหนจะให้ผลในขณะไห น, นเวลาไหนสมมุติว่าคนที่ทําทํากรรมดีทั้งกรรมชั่วนะเวก่อนที่จะตายใจจะขาดน่ะ เขาระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆละลึกถึงมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนใจของเขาแน่วแ น, วแนว่มั่นในขณะนั้นพอตายจากปุ๊บพอใจขาดปุ๊บเขาก็ไปสู่สวรรค์ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเขาคิดแต่ในทางที่ดีในขณะที่เขาตายใจจะขาดเขาไม่ได้คิดไปในทางชั่วว่า ง, งั้นเถอะเนี่ยตอนที่ใจจะขาดนี่เป็นจุดที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากๆาว่างั้นเถอะสําหรับ ใจของมนุษย์ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้ทาท่านเน้นหนักอย่างนั้นแต่ท่านบอกว่าคนที่มีอายุสั้นมีกรรมเป็นมาอย่างไรอันนี้ท่านเทศให้ลูกชายของโตเทย์พรามฟังว่ากันเถอะคนที่มีอายุสั้นชาติก่อนเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพเหมือนกับคนเราอาชีพเป็นเหมือนกันบางคนก็มีแต่ฆ่าปลาหาปูฆ่าวัวฆ่าไก่ฆ่าไก่ฆ่าเป็ดขายอย่างนั้นนะ คืออาชีพมันไม่เหมือนกันเนยคนที่ชอบฆ่าสัตว์เนี่ยชีวิตจะสั้นคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ลั่งแก่สัตว์นม่ถึงกับฆ่าอันนั้นร่างกายของเขาจะทุกผลภาพร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเกิดมาแล้วยากจนเพราะอะไรในชาติก่อนเขาไม่ยินดีในการให้ทานแต่คนที่เกิดมาน่ําำรวยเพราะเหตุอะไร เพราะเกิดในอดีตชาติของเขาเขายินดีในการทําบุญทำทานคนที่เกิดมาโง่เพราะอะไรเพราะไม่ได้สนใจเรื่องหาความรู้มีแต่กินเหล้าเมายามีแต่พวกยาเสพติด ท, ทั้งหลายแหละไม่ได้สนทนาปลาลพ ก, กับบัณฑิตนักปราชญ์เกิดมาโงา่แต่ถ้ามาผู้ใดชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเข้าไปหาบัณฑิตนักปราชญ์ถามปัญหา ข้อข้องใจต่างๆทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมเป็นการฝึกซ้อมในจิตใจอยู่เสมอถ้าเขาเกิดมาภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้ฉลาดแต่บางคนเกิดมาในสกุลต่ำเพราะอะไรเพราะชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้เหมืนกันอิจฉาเขาเพราะอิจฉาเขาเนี่ยทำให้ตัวเองตกต่ำเหมือนกันคนที่ขี้เลหขี้ร้ายคนที่สวยงามเพราะอะไร คนที่สวยงามเพราะจิตใจเบิกบานก็พร้อมกันก็ยินดีทําบุญทําทานเกี่ยวกับเครื่องผ้าอาภรณ์เสื้อผ้านุง่งห่มให้คนที่ขี้ร้ายขี้เลวเพราะอะไรเพราะเป็นคนชอบขี้โกรธงั้นขี้โกรธชุนเชียวจิตใจไม่แจ่มใสจิตใจโมโหโท่โศอยู่บ่อยๆเกิดมาพบหน้าชาดหน้าจะเป็นคนผิวพรรณวันนะซ้ำไม่สวยงาม อันนี้หลักของพุทธศาสนาในท่านบอกความเป็นมาเรื่องความเป็นไปของมนุษย์ชาติที่เกิดมาแล้วได้กรรมอะไรกรรมอันไหนให้ผลอย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วไต่ตรองดูตามเหตุและผลแล้วเป็นไปได้นะเอคือคน ท, ที่โกรธโมโหเนะ่ะดูสิถ้าโมโหขึ้นมาแล้วทั้งปากปิดปากเบี้ยวหน้าดำหน้าแร่เวลาโกรธเราวิ่งไปดูกระจกว่าท่เป็นไง มองดูมองดูเงาหน้าในกระจกเลยเป็นยังไงมันไม่สวยว่างั้นเถอะเดี๋ยวเกิดพบหน้าชาดหนาก็เป็นคนไม่สวยเหมือนเก่านั่นนะเพราะนั้นพวกเราควรจะสร้างแต่กรรมดีสร้างคุณงามความดีกรรมชั่วทั้งหลายอย่าทําอำถ้าทําไปแล้วก็ไม่ดีอย่างฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างเนี้ยเกิดมาพบน้าชาญน้าเขาว่าชีวิตจะสั้นเกิดมาแล้วก็ตายนี บางคนเกิดมาในสกุลที่ร่ำรวยไปเกิดที่รวยๆแต่เกิดมาแล้วก็ตายเพราะเหตุไรเพราะว่าอันนี้สงทานดีอยู่แต่อันนี้สงสินไม่ดีสงทานเนี่ยทำบุญทําทานใ้เลิศประเสริฐแต่เห็นอะไรค่าหมดอย่างเจ้าของลรงค่าสัตว์อย่างเนี้ยไปเห็นพาเห็นเจา้าก็ทําบุญทําทานโอ้ทาบุญทําทานดีมากกับครูบาอาจารย์เพระปฏิจเจ้าพระพุทธเจ้าพระละหันสาวกท่านภูมีศีลทําบุญทําทานหมด แต่ว่าตัวเองฆ่าสัตว์อย่างเนี้ยพอเกิดมาก็เกิดในฐานที่ร่ํารวยแต่ชีวิตสั้นพอเกิดผลออกจากท้องแม่มาก็เข้าเตาอบแล้วอ่างั้นเด็กอีกไม่นานก็ตายแล้วอืมัมนจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะอันนี้สงศีนไม่ดีเพราะฉะนั้นทั้งศินทั้งทานต้องไปด้วยกันออันนี้สงทานก็คือเสียสละอันนี้สงศีนก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอไม่ ขมโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดการเมนสุริช้าจานไม่โกหกไม่ดื่มสุรานี่แหละเป็นขนทางที่ร่มเย็นผ้าสุขเกิดมาในภพใดชาติใดก็จะร่มเย็นผ้าสุขทั้งหมดนะถ้ า, าว่าไม่มีศีลไม่ทำหรืออยู่ในจิตในใจมีแต่บาปอกุศลติดจิตติดใจแล้วมีแต่ความทุกข์ได้เดือดร้อนวุ่นวายนะควจะสร้างแต่คุณงามความดีประดับจิตประดับใจของพวกเราพวกเราจะพบแต่ความสุขความเย็นใจพบไข่ไขก็ พบคนดีไม่พบคนเลวของั้นเด็ด